เป็นโอกาสดีๆอีกวันหนึ่งที่คนอิ่มน้อยจะไปหาคำตอบในสิ่งที่คนอิ่มน้อยเองก็คล้องใจมานานเหมือนกันให้กับท่านผู้ฟังและคนอิ่มน้อยได้ไขข้อคล้องใจกันนะจ๊ะวันนี้ เราจะไปตามหาเรื่องราวของการเกิดบ้างไฟพยายนาคในทุกทุกปีว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเกิดขึ้นมาจากสิ่งใดวนอิมน้อยได้นั่งกรรมาฐาน สัมมาสัมพุทธาอะชิมาสัมพุทธาถอดกายไปในขึ้นไปข้าวเฝ้าปู่พะอิสวรณที่ดินแดนแห่งหนึ่งและที่นั่นก็เป็นถ้มที่บรรพิงของพระองค์ท่านเมื่อหนูขึ้นมาถึงที่นั่น หนูก็ได้เข้าไปในทราเมื่อพบปูป่พิสวรท่านทรงนั่งอยู่ข้างบนขดหินและกำลังหลับตาภาวนาอยู่หนูจึงนั่งลงคุกเขา่าพร้อมทั้งกราบนมัสการปูปร่พิสวรท่าน หนูสิ่งพูดว่าเกรนอิมน้อยกราบน้ำมัส ก, การพระอิชวนเจ้าค่ะเมื่อหนูได้ส่งเสียงดังออกไปปู่พระอิสวนท่านก็ลืมตาขึ้นมาพร้อมทั้นถามเกรนอิมน้อยว่าเกรนอิมน้อยเจ้ามาวันนี้มีจุดประสงค์อันใดเหรอ เจ้าจงถามมาเถิดถ า, ามธุราของเจ้าเมื่อปู่ท่านทรงพูดกับหนูจบหนูจึงตอบท่านไปว่าปูพ่พ่อิส่วนเจ้าขาวันนี้หนูขึ้นมาเพื่อจะทูลถามเกี่ยวกับเรื่องของบ้างไฟพญานาคนะเจ้าขา ว่าบังเกิดมาจากสิ่งใดและเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรมันเป็นพิธีหรือเป็นประเพณีเป็นสิ่งใดของชาวนาที่ทำกันสืบทอดต่อๆกันมาและมันมี ประโยชน์มีสิ่งใดที่แฝงอยู่ในอภินิหารนั้นบ้างเพื่อเป็นคำตอบไขข้อข้องใจให้กับหนูและท่านผู้ฟังที่ปรารถนาจะทราบเหมือนเหมือน ก, นกันกับหนูนะเจ้าคะเมื่อหนูทูลถามจบ ปู่พระอิสรท่านจึงได้บอกกับหนูว่าเอาละคนอิมน้อยหากเจ้าประรนาจะทราบเรื่องนี้เดี๋ยวปู่จะให้แหวนเจ้าใบหนึ่งวงและเจ้าก็สวมไว้ที่นิ้วอธิษฐานสิตไปยังดินแดนแห่งหนึง่งเพื่อไปทูลถาม ถึงปู่อ ม, มตะเจ้าวังนคราชที่คองเมืองอยู่ใต้วังนะเจ้าจะได้รู้ถึงเรื่องราวความเป็นจริงเรื่องราวความเป็นมาของบัางไฟพญานาคตามที่เจ้าปรัชนาก็แล้วกันหลังจากนั้นให้อสอวนท่าน จึงให้แหวนหนูมาหนึ่งวงและหนูก็สวมไว้ที่นิ้วแล้วก็อธิษฐานจิตให้ไปยังราชวังของท่านปู่อมะตะเจ้าวังนครลาด ท, ที่ดินแดนแห่งหนึ่งของเมืองบาดาลเมื่อหนูอธิษฐานจิตก็ไปโผล่ยังที่หนึ่ง และที่นั่นที่หนูไปก็คือคอนพบเพลงเป็นน้ำตกเชื้อของทางฝั่งลาวเมื่อหนูไปถึงหนูก็ลงไปข้างล่างบาดาลที่นั่นมีประตูถ้าที่ผ่านเข้าไปในโลกของบาดาลได้ หนูจึงมุดลงไปใต้น้ำแล้วก็โผล่ไปอย่างที่หนึ่งมีประตูถ้าเป็นประตูแก้วใสๆและหนูก็ใช้ความเป็นทิพย์ผ่านเข้าไปสามชั้นของประตูและที่นั่นก็เป็นพื้นดินแห้งๆเหมือนกันกับโลกเรา แต่เป็นคนละโลกกันกับโลกเราเมื่อหนูไปถึงที่นั่นหนูก็เห็นราชวังอันใหญ่โตกว้วามใหญ่ไพศาลช่างสวยและงดงามจริงๆเรืองรองและเต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองและความสวยงามมีเหล่านางนาคสวย เดินเต็มกันไปหมดและหนูก็ไปเข้าไปจนถึงหน้าพระราชวังจึงได้อธิษฐานจิตเป็นดวงแก้วเพื่อหายตัวแล้วก็เข้าไปในราชวังของท่านปู่อมะตะหนูซึ่งอธิษฐานจิตแล้วก็เข้าไปโปรอยู่กลาง พระราชวังที่ประทับของท่านปูอ่อมตะเจ้าวังนคราหานเมื่อหนูเข้าไปถึงหนูจึงปรากฏกายขึ้นมาต่อหน้าท่านปูอ่อมตและหนูจึงประกายรูปออกมาเป็นรูปของ คนอิ่มน้อยใส่ชุดเหมือนสแแม่คนอิ่มแต่ตัวเล็กๆแต่ง เ, เ, เด็กอายุแค่12ขวบเท่านั้นเองเมื่อ น, นั้นหนูจึงกราบนมันส ก, การพร่ะปูด่ด้วยความเคารพหนูจึงนั่งลงแล้วก็กราบนมันส ก, การและทั้งพูดขึ้นมาว่า ควรยิ้มน้อยจากดินแดนไกลขอกราบน้ำมนต์ ก, การพ่อปู่เจ้าค่าเมื่อหนูพูดจบพ่อปู่ท่านจึงงงแล้วก็มองมาที่หนูถามหนูว่าเจ้าเป็นใครละ่ะเจ้าเด็กน้อยมาถึงที่นี่เลยชาหนูจึงตอบท่านปู่ท่านไปว่าท่านปู่เจ้าขา หนูเป็นลูกของพระแม่กวรอิมหนูเป็นกุมารีตัวน้อยที่คอยเดินทางไปตามจุดต่างๆเพื่อสื่อสภาวะธรรมกลับไปสู่โลกมนุษย์เพื่อให้มนุษย์รู้ถึงโลกทิพย์ที่ตนนั้นไม่เคยพบไม่เคยเห็น และไม่รู้มาก่อนรวมถึงทั้งคอยถ่ายพระธรรมคาสอนจากพระพุทธเจ้าสื่อออกไปเผยแพ่ทางโลกมนุษย์และวันนี้ที่หนูมาที่นี่เพราะว่าหนูจะมาทูลถามพ่อปู่ถึงเรื่องหนึ่ง ที่มนุษย์ก็คล่องใจเหมือนกันกันกบหนูเพื่อไขข้อค้่องใจเหล่านั้นและเป็นความรู้อีกทางหนึ่งเจ้าค่ะเมื่อหนูพูดจบพ่อปูดท่านซึ่งพยักหน้าแล้วก็ยิ้มพร้อมทั้งหัวละออกมาเล็กน้อยแล้วก็พูดว่าเอาละ ปูรู้จักเจ้าแล้วได้ยินเสียงได้ยินชื่อมานานเหมือนกันว่าเจ้านั้นจะปรากฏขึ้นในยุคสมัยหนึ่งเพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรมแต่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยละ่ะที่ปู่ได้เจอกับเจ้าเอาละ่ะเดี๋ยวปู่จะให้บริวาร น, นำขนม เข้าของมาให้แก่เจ้าได้ทานเจ้าก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละและวันนี้เจ้าตั้งใจจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือจะกวนอิ่มน้อยเมื่อพ่อปู่ท่านพุทธศพหนูจึงทูลถามพ่อปู่ท่านไปว่าพ่อปู่อมตะเจ้าคะ หนูสมาถามพ่อปู่เกี่ยวกับเรื่องบ้างไฟพเ ย, ยนาคนะเจ้าค่ะว่าเกิดขึ้นมาจากสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะอะไรมีประโยชน์อะไรอยู่ในนั้นเป็นพิธีกรรมอะไรของทางโลกบาดาลที่แสดงอภินิหารปรากฏขึ้นจนไปถึงโลกมนุษย์ เหตุการณ์นี้และสิ่งนี้คืออะไรเพื่ออะไรกันในสิ่งที่บังเกิดขอพ่อปู่ทรงให้คำตอบและชี้แนะให้หนูได้รับทราบและกระจางถึงความเป็นมาของบ้างฝ่ายพญายนาคด้วยนะเจ้าคะ่ะ เมื่อหนูทูลถามพ่อปู่ท่านจบแล้วพ่อปูดท่านจึงบอกว่าอาละกวนอิ่มน้อยเจ้าใจเย็นๆแล้วก็นั่งทานน้ำทานขนมของโลกบาดาลไปก่อนนะว่าอร่อยเหมือนอาหารทิพย์ที่สวรรค์ที่เจ้าอยู่หรือเปล่าและฟังให้ดีๆนะลูกปู่จะเล่าให้ฟัง ท่านใดนั้นพระปู่จึงเล่ามาว่าการลัสมัยในครั้งหนึ่งบ้างฝ่ายพญานาคก็คือการบูชาพระพุทธเจ้าและเป็นธรรมเนียนประเพณีที่สืบทอดกันมานานตั้งแต่ยุคสมัยที่มีนาคเกิดขึ้นแล้วและ การที่จะแสดงบ้างไผ่พญ า, านาคขึ้นไปนั้นในแต่ละรอบปีก็จะมีเหล่าคณะสาวกของทางพญานาคที่เข้าไปจำศีลภาวนาตามจุดต่างๆบรรพิ น, พนภาวนาเมื่อบรรพ็นจนครบรอบปี ก็ได้นัดหมายและรวมกันมาอย่างจุดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่ถือว่าเป็นจุดหรือเป็นแท่นบูชาพระพุทธเจ้าของทางฝ่ายพญนาคและในงานนั้นหากเทียบมาแล้วก็เหมือนเป็นเทศกาลปีใหม่เฉลิมฉลอง และบูชากราบไหว้เทพพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการขอพรให้เกิดความสุขความล่มเย็นกลับมาสู่เมืองนาคเช่นเดียวกันกับโลกมนุษย์หากเทียบมาแล้ว ก็คงจะเหมือนกันกับเทศกาลสงกรานต์ที่จัดให้มีการสงน้ำพระและมีการสงน้ำผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละก็เช่นเดียวกันมันเป็นเพียงประเพณีหนึ่งที่ทางพยายนนาคได้ทำและสืบต่อกันมา ในแต่ละรอบของทุกๆปีก็จะมีเหล่าพยานาคมากมายที่อาสาอาสาสมัครเป็นผู้บรรพินเพื่อที่จะใช้บุญบารมีที่ตนได้บรรพินนั้นมาแสดงอภินิหารแสดงบ้างไฟพยานาค เพื่อถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าเทพให้บังเกิดความสุขความล่มเย็นกลับมาสู่เมืองนาคของเรานี่แลลวและจึงได้จัดขึ้นในทุกๆปีในแต่ละรอบปีหากหวนกลับมาถึงเวลาเดิมจึงมีการปรากฏบ้างไฟพญนาคเกิดขึ้น ในขนาดที่ทางโลกทิศย์ก็จะมีบ้างไฟพยานาคที่ขึ้นไปอย่างเยอะแยะมากมายเพื่อขอพรและแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของใต้ผืนน้ำรวมถึงเมืองหน้าและพิธีนี้จึงเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่หากใครได้มาร่วมแล้ว ก็มักจะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์ประสบความสำเร็จไปด้วยจากบารมีของเหล่าพญ น, นาที่ได้เข้าบันเพนจนครบรอบปีและบัางไฟที่แสดงออกไปนั้นก็จะเป็นบัางไฟที่เกิดมาจากบารมีของการบันเพนเพื่อถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พิธีนี้จึงนับว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชางชาวบาดานเลยทีเดียวและหากทางโลกทิศก็จะมีบ้างไฟพญนาคลอยขึ้นฟ้าอย่างเยอะแยะมากมายเป็นล้านล้านดวงแต่หากตนไหนหรือพญนาคองไหนที่บันเพนอย่างเคร่งครัดมาก และบารมีสูงมากก็จะสามารถแสดงปรากฏการให้เกิดขึ้นให้กับมนุษย์ได้เห็นไปพร้อมๆกันและการนี้ก็มีการปรากฏขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้กราบบ้ายบูชาและขอพรไปพร้อมๆกันเพราะหากรวมมาแล้ว นาคและมนุษย์หรือเทพก็มีต่วนเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นและบางทีก็มีญาติของทางนาคไปเกิดเป็นมนุษย์และมีเทพมาเกิดเป็นมนุษย์มีมนุษย์มาเกิดเป็นนาควนไปวนมาอยู่สามโลกนี้พิธีนึ่จึงเป็นพิธีของการรวมพลัง เพื่อขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันทั้งสามโลกหากใครที่ได้เห็นหรืออธิษฐานจิตในช่วงเวลาของการถวายบัางไฟพญานาคแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แล้วจึงเป็นพร อ, อันศักดิ์สิทธิ์และมักจะประสบผลสำเร็จ ทั้งทางฝ่ายนาคและมนุษย์นี่แหละจึงเป็นตำนานและเป็นพิธีที่เหล่านาคได้สืบทอดและทำกันต่อๆกันมาและในวันนี้เองก็เป็นโอกาสดีเลยทีเดียวที่เจ้าได้มาปู่จึงจะขอฝากเจ้ากลับไปบอกกับพวกมนุษย์ว่าให้รักษา พืนน้ำให้กับชาบาดาลบ้างอย่าสร้างความสกปรกมาใส่กันนักเลยอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันช่วยกันสร้างคุณงามความดีประคองโลกทั้งสามโลกเอาไว้อย่าให้ต้องเกิดภัยพิบัติอย่าให้ต้องเกิดการเบียดเบียนกันเลยหากมนุษย์นั้น สร้างการเบียดเบียนมาสู่ทางหน้าจนเกินไปธรรมชาติหรือทางชาวบาดาลก็จะเกิดการสร้างกรรมกลับไปอีกโดยการอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติไปสู่ทางมนุษย์ได้เช่นเดียวกันแต่ในขนาดที่หอบเขตของกฎกรรม ก็มีกิจขวางเอาไว้จึงไม่มีใครกล้าทมเกินขอบเขตแต่หากว่ามนุษย์ผู้ไม่รู้ได้เบียดเบียนกับทางนาคจนเกินไปก็แน่นอนว่าจะมีการตีกลับในส่วนของกรรมอื่นๆกระทบขึ้นไปสู่โลกมนุษย์ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นให้ทุกคน จงดูแลความสะอาดช่วยการรักษาผืนน้ำให้สวยงามเมืองบาดาลคืนไปแล้วก็จะเห็นความสะอาดและน่าอยู่ส่วนมนุษย์เมื่อมองลงบนผืนน้ำก็จะเห็นแต่ความอุดมสมบูรณ์จงช่วยการรักษาจากนี้ต่อไปนะลูกนะและจะได้มี ความอุดมสมบูรณ์ให้กับทั้งสามโลกเมื่อท่านปู้ท่านพูดจบหนูก็จึงกราบขอบพระคุณพังปืดท่านและพร้อมทั้งพูดว่ากราบขอบพระคุณอปู่อมตะเจ้าค่ะที่ได้ส่งให้คำตอบกับหนูและไว้หนูจะกลับมาเที่ยวหาใหม่ในวันหลังนะเจ้าค่ะ และหนูสะนำคำตอบและคำเตือนของพ่อปู่ไปฝากให้กับชาวมนุษย์เพื่อให้ละเลิกกันเบียดเบียนกันขอบพระคุณพ่อปู่สำหรับขนมอะไรอะไรของทั้งบาดานด้วยและไว้โอกาสหน้าหนูหนตะกลับมาเที่ยวให่อีกกราบน้ำสการลาพ่อปู่นะเต้าคะ เมื่อหนูกาบนามัช ก, การลาพ่อปู่ท่านแล้วหนูจึงกลับออกมาสักที่นั่นและการทิพของหนูก็ยังคงอยู่ต่อหน้าปู่พ่ออีสวรรอยู่ในท่ามแห่งนั้นเมื่อหนูกลับมาถึงที่ทําแห่งนั้นหนูจึงลืมตาขึ้นมาและคุยกับพ่ออีสวรรท่านว่า พปู่อีเสือนเต้าค่ะหนูได้คำตอบกลับมาแล้วเจ้าค่ะและแหวนของพ่ปู่หนูก็สะเคินให้เมื่อหนูพูดสมพ่ปู่ท่านจึงส่งยิ้มแล้วก็พูดว่าเอาละ่ะเจ้าก็ทำงานของเจ้าจนเสร็จแล้วขนมก็กินจนอิ่มแล้ว เจ้าพร้อมหรือยังละ่ะที่จะกลับไปเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับมนุษย์เมื่อพ่อปู่ท่านพูดจบหนูจึงยิ้มแล้วก็ถามพ่อปู่ท่านว่าพ่อปู่อีสวร์เน้าคะแล้วพ่อปู่ไม่มีธรรมะดีๆอะไรที่จะฝากหนูไปสู่โลกมนุษย์และเน้าคะ พ่อปู่ท่านก็สรงยิ้มแล้วก็พูดกับควนอิมน้อยว่าควนอิมน้อยธรรมาที่เศร้าได้รับมานั้นก็เยอะแยะมากมายและวันนี้ธรรมาที่ปู่จะให้กับเศร้าก็จะเป็นแค่คำเตือนดีๆสําหรับเอาไว้เตือนคนที่ชิดชอบอ่อนแอ อ่อนเอียนอามลมตามฝนเหมือนเศ้านี้และการที่คนเรานั้นจะทาจิตให้อ้างมัน่นต้องมีความหนักแน่นอยู่ในจิตอย่างแท้จริงก่อนและการที่จะมีจิ ต, ตอ้างมั่นอยู่ในจิตอย่างแท้จริงต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นตัวยึดเพื่อให้หนักแน่น และสิ่งที่จะเป็นตัวยึดให้หนักแน่นได้นั้นย่อมแน่นอนว่าต้องเป็นสิ่งที่ตนสร้างขึ้นมาจากภูมิจิตของตนด้วยจิตที่มีพลังจักจานสมาธิหนูต้องพยายามทำสมาธิเยอะๆเพื่อให้ประคองจิตของหนู ให้คงอยู่อยู่ในระดับเดิมจะได้ไม่โอนเอียนไปตามกระแสลมฝนที่พัดผ่านเข้ามามันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ธรรมชาตินั้นจะเกิดลมฝนพายุพัดผ่านมาจงทำจิตของตนให้สงบเถิด แล้วเจ้าจะสามารถผ่านพ้นไปในทุกๆด่านได้รวมถึงนักบุญทั้งหลายด้วยเข้าใจไหมเมื่อพ่อปู่ท่านบพืศพหนูเจริกรรมนามรัการขอบกุลพ่อปู่อิส่วนที่ได้ทรงให้คำตอบและให้พระธรรมคำสอนให้เสรนให้เกิดหนูไปค้นหาคำตอบ พร้อมทั้งกั บ, ก, บ ก, การนบวัสการลาพ่อปู่ท่านกลับออกมาจากที่นั่นกลับมาสู่โลกมนุษย์เพื่อมาถ่ายทอดพระธรรมค ำ, ำสอนและคาตอบจากพ่อปู่ทั้งสององค์สู่คลิปนี้มาเผยแถ่ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันและวันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ ที่วนอิมน้อยจะได้ออกสื่อวิทยุเผยแผ่พระธรรมคำสอนในรอบสองเดือนที่ผ่านมาถ้าหากใครที่ปรารถนาจะฟังธรรมะจากวันอิมน้อยต่อก็เชิญมารับแผงศีรีธรรมะได้ที่พุทธอุทยานพุทธสวรรค์อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายได้ ตอนนี้หนูกำลังทำซีดีธรรมะในทุกๆตอนที่หนูได้เผยแผ่มาตลอดทั้งสองเดือนเพื่อนำมาแจากเป็นธรรมะทานให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายหากใครบัดนานะที่จะฟังธรรมะจากกวนอิมน้อยก็จงก็ให้มารับได้ที่บุท ธ, ธาอุทยานภูสวรรค์ ะวะคนอิ่มน้อยก็จะยังคงทำธรรมะต่อไปเรื่อยๆเผยแผ่ออกสื่อใน YouTube ก็ดีอินเทอร์เน็ตก็ดีหากท่านผู้ฟังผู้ใดที่ปรารถนาจะฟังธรรมะจากคนอิ่มน้อยต่อก็ติดต่อกลับมาได้ที่พุทธอุทยานบุษวรรค์นะจ๊ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญจากนี้ตลอดไปในตลอดเวลาสองเดือนที่ผ่านมาหวังว่าท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมะของคนอิบน้อยก็คงจะซึมซับไปไว้ในจิตด้ไม่น้อยและการฟังธรรมะก็เป็นอ น, นิสงส์บุตรอีกทางหนึ่งที่จะสามารถเอากลับมา ชำระจิตของตนและทําให้ตนนั้นมีความสุขขึ้นมาได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านจงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งพวงและเอาชนะธรรมชาติอยู่เหนือธรรมชาติได้ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงพบแต่ความสุขจากนี้ตลอดไปและไว้พบกับคนอิ่มน้อยใหม่ ในโอกาสหน้าในครั้งหน้าต่อๆไปในสถานที่ที่พวกเราจะมีบุญที่จะได้มาคุยธรรมะกันต่อไปในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ